ติกะมาติกาปุตชาทุกกะมาติกาปุจฉา715ดรบรรดาสิกขาบทห้าสิกขาบทเท่าไรเป็นกุศลเท่าไรเป็นอกุศลเท่าไรเป็นอภิญากฤิเท่าไรเป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้เท่าไรไม่เป็นเหตุให้สัตว์ ร, ร้องไห้หนึ่งติกะมาติกาวิสัชนาหนึ่งยี่ กุศลติกาทิวิสัชนา716สิกขาบทห้าเป็นกุศลอย่างเดียวสิกขาบทห้าที่สัมปยุทธ์ด้วยสุขเวทนาก็มีที่สัมปยุทธ์ด้วยอุทุกขมาสุขเวทนาก็มีสิกขาบทห้าเป็นเหตุให้เกิดวิบากสิกขาบทห้ากรมันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทาน สิกขาบทห้ากิเลสไม่ทําให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสสิกขาบทห้ามีทั้งวิตกและวิจารณ์สิกขาบทห้าที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่สหรคตด้วยเบคขาก็มีสิกขาบทห้าไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสามสิกขาบทห้าไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมัก และมักเบื้องบนสามสิกขาบทห้าเป็นเหตุให้ถึงปฏิตนทิและจุติสิกขาบทห้าไม่เป็นของเสกบุคคลและอาศัยบุคคลสิกขาบทห้าเป็นปริตะสิกขาบทห้ามีปริตะเป็นอารมณ์สิกขาบทห้าเป็นชั้นกลางสิกขาบทห้าให้ผลไม่แน่นอน สิกขาบทหกล่าวไม่ได้ว่ามีมักเป็นอารมณ์มีมักเป็นเหตุหรือมีมักเป็นอธิบดีสิกขาบทหที่เกิดขึ้นก็มีที่ยังไม่เกิดขึ้นก็มีแต่กล่าวไม่ได้ว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนสิกขาบทหที่เป็นอดีตก็มีที่เป็นอนาคตก็มีที่เป็นปัจจุบันก็มีสิกขาบทห้า มีปัจจุบันธรรมเป็นอารมณ์สิกขาบทหที่เป็นภายในตนก็มีที่เป็นภายนอกตนก็มีที่เป็นภายในตนและภายนอกตนก็มีสิกขาบทหมีธรรมภายนอกตนเป็นอารมณ์สิกขาบทหเห็นไม่ได้และกระทบไม่ได้ 2. ทุกขมาติกาวิจัชนา 1. เหตุุ โคจัชกะวิจัชนาเจ็ร้อยสิบเจ็สิกขาบทหไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุสิกขาบทหสัมปยุตด้วยเหตุแต่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและมีเหตุสิกขาบทหมีเหตุแต่ไม่เป็นเหตุแต่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นเหตุและสัมปยุตด้วยเหตุสิกขาบทหสัมปยุตด้วยเหตุแต่ไม่เป็นเหตุ หรือไม่เป็นเหตุแต่มีเหตุสองจูรันตะระทุกกวิสัชนาสิกขาบท่ามีปัจจัยปรุงแต่งสิกขาบท่าถูกปัจจัยปรุงแต่งสิกขาบท่าเห็นไม่ได้สิกขาบท่ากระทบไม่ได้สิกขาบท่ไม่เป็นรูปสิกขาบท่าเป็นโลกิยะสิกขาบท่าจิตบางดวงรู้ได้ สิกขาบทท่าจิตบางดวงรู้ไม่ได้ 3. อาสวะโคจัตชะกะวิสัชนาสิกขาบททไม่เป็นอาสวะสิกขาบทท่าเป็นอารมณ์ของอาสวะสิกขาบททวิปยุจจากอาสวะแต่กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะสิกขาบทท่า เป็นอารมณ์ของอาสะวะแต่ไม่เป็นอาสะวะสิกขาบท5กล่าวไม่ได้ว่าเป็นอาสะวะและสัมปยุต ด, ด้วยอาสะวะหรือสัมปยุต ด, ด้วยอาสะวะแต่ไม่เป็นอาสะวะสิกขาบทหวิปยุตจากอาสะวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสะวะ4ี่ถึงสิสัญญโฉนโคจัชกาทิวิสัชนา สิกขาบทถ้าไม่เป็นสังโยชน์ไม่เป็นคันทะไม่เป็นโอคะไม่เป็นโยคะไม่เป็นนิวรณ์ไม่เป็นปรามาตสิกขาบทถ้ารับรู้อารมณ์ได้สิกขาบทถ้าไม่เป็นจิตสิกขาบทถ้าเป็นเจตสิกสิกขาบทถ้าสัมปยุทธ์ด้วยจิตสิกขาบทถ้าประคุกับจิต สิกขาบทห้ามีจิตเป็นสมุทฐานสิกขาบทห้าเกิดพร้อมกับจิตสิกขาบทห้าเป็นไปตามจิตสิกขาบทห้าระคนกับจิตและมีจิตเป็นสมุทฐานสิกขาบทห้าระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุทฐานและเกิดพร้อมกับจิตสิกขาบทห้า พระคนกับจิตมีจิตเป็นสมุดฐานและเป็นไปตามจิตสิกขาบทหเป็นภายนอกสิกขาบทหไม่เป็นอุปาทานยรูปสิกขาบทหการมันประกอบด้วยตันหาและทิฏฐิไม่ยึดถือสิกขาบทหไม่เป็นอุปาทานไม่เป็นกิเลส 13. ปิติทุกขวิสัชนา สิกขาบทหไม่ต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาสิกขาบทหไม่มีเหตุต้องประหารด้วยโสดาปฏิมักและมักเบื้องบนสาสิกขาบทหมีวิตกสิกขาบทห้ามีวิจารณ์สิกขาบทหที่มีปีติก็มีที่ไม่มีปีติก็มีสิกขาบทห ที่สหรคตด้วยปีติก็มีที่ไม่สหรคตด้วยปีติก็มีสิกขาบทหที่สหรคตด้วยสุขก็มีที่ไม่สหรคตด้วยสุขก็มีสิกขาบทหที่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีที่ไม <ics> ่สหรคตด้วยอุเบกขาก็มีสิกขาบทหเป็นกามาวจร สิกขาบทท่าไม่เป็นรูปาวจรสิกขาบทท้าไม่เป็นอรูปาวจรสิกขาบทท้าเป็นโลกิยะสิกขาบทท้าไม่เป็นเหตุนำออกจากวัตถุกสิกขาบทท้าให้ผลไม่แน่นอนสิกขาบทาท่ามีธรรมอื่นยิ่งกว่าสิกขาบทท้าไม่เป็นเหตุให้สัตว ร้องไห้ปัญหาปุจฉกะจบสิกขาปทวิพังจบบริบูรณ์